Book 2ูสามสิบสองท r i เ i ียตเอ็ดูทที่ร้านอาหารสี่รี a อร์ n แคทเตอร a นะรี t อ ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ patate s u u r a m e ketchup patate s u u r a m e ketchup และมายองเนสสองที่ the two here m e mayones the t w here m e m a y o n s และไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ The t he r e h e r s, <S a l t i c h e me musard. t e t r e h e r s a l t i s c h me musard. คุณมีผักอะไรบ้างครับชวาเล่เปริเมชเคนี่ชวาเล่เป keni คุณมีถั่วไหมครับฟา คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับเคนลูเลลผมชอบทานขา้าวโพดหวาน un นฮมชอุนามิสเซผมชอบทานแตงกวาาคาสตราเดซ ฮ่ก็สวัสดชผมชอบทานมาเขือเทศอุฮตอฮตมชคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับฮันนี่เมเชฟ p l s ันีเชฟ plus คุณชอบทานกะหล่าปีดองด้วยใช่ไหมครับฮันนี่เมเชฟลาคเกอร์ทูชีฮันนี่เมเชฟลาคเอคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับฮัน่เมเชฟเียร่เมเชฟเคุณชอบทานแครอท ด, ด, ด้วยใช่ไหมครั บ, อบอดดไอช คาร์โรตต์อิก h เชาร์โรตคุณชอบทานบ็อกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับอิอิเชฟบรอคลีอิกเชรอโคลีคุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับอิกิเชฟสปีชัทอิกิเชสปีชัท ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ small i m a l ผมไม่ชอบมะกอก s m a p e c a e l t ผมไม่ชอบเห็ <S เด s m c a l a n d